คณะสิทธิานุสิตได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชนะครับจากสวนสันติธรรมนะครับจังหวัดชนบุรีเป็นโอกาสดีของชาวสุรินนะครับขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอีริยาบทให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านที่ยังไม่มีที่นั่งเรียบร้อยก็ขอให้นั่งสบายๆนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่บริเวณรอบนอกก็มีทีวีวงจรปิด ที่จะถ่ายทอดเสียงออกไปข้างนอกอยู่แล้วและทั้งภาพทั้งเสียงนะครับนามสการพระคุณเจ้ามีอุปชาของหลวงพ่อท่านอยู่ข้างนอกนี่ท่านเปิดโอกาสให้แสดงธรรมตามธรรมเนียมพระนะถ้าพระผู้ใหญ่ท่านอยู่ต้องให้ท่านแสดงนะนี่หลวงพ่อมาทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศดอก อุปชาท่านสั่งก็เลยต้องเทศในในจะเทศนะหลวงพ่ออยากจะบอกพวกเราว่าหลวงพ่ออยากจะเอาของดีมาคืนคนสุรินเมื่อยี่สบห6ปีก่อนหลวงพ่อมาได้ของดีของวิเศษไปจากเมืองสุรินที่ได้ไปจากหลวงปุดูลตอนนั้นมาเรียนกับท่านอายุยังไม่มากนะอายุยี่สบเก อยากปฏิบัติธรรมแต่ก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เจ็ดขวบหัดอนาปานาสติหายใจออกหายใจเข้าอะไรอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆมุ่งเอาความสงบเป็นที่ตั้งทำอยู่22ปสิบสองปีมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แต่ความสงบแต่จะไปต่อก็ไม่รู้จะไปยังไงจนกระทั่งมีบุญวาสนา ได้ไปเจอธรรมะของหลวงปูดูลเขาก็เลยตามมาหาท่านที่เมืองสุรินเข้าไปกราบท่านทีแรกนะก็ไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะเทศให้ฟังนะท่านไม่เทศด อ, อกท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเราก็ น, นึกว่าโอ้ท่านอายุมากแล้วฉันเข้าเสร็จคงนั่งหลับไปแล้ว ความจริงท่านคงตรวจสภาพเราว่าเราเคยฝึกฝนอบรมมาทางด้านไหนท่านจะได้ต่อยอดให้ถูกนะครูบาอาจารย์ที่ดีที่วิเศษอย่างนั้นหายากนะส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านก็จะเทศเทศไปนะท่านเคยทำยังไงท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่หลวงปู่ดูลไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดูลท่านจะดูก่อนว่าแต่ละคนที่จะมาเรียนกับท่านนั้นเหมาะสมกับกรรมฐานชนิดไหนแล้วท่านก็ให้กรรมฐาน ที่เหมาะกับคนคนนั้นนี่ท่านก็หลับตาเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงพอท่านลืมตามาท่านก็สอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ท่านสอนให้อ่านจิตตนเองล้วก็ฟังแล้วก็ปรับปรืมใจแนละ้วว่าเราจะได้อ่านจิตตนเองท่านถามว่าเข้าใจไหมแบนั้น กำลังปลื้มนะก็บอกท่านบอกเข้าใจครับท่านบอกเออดีเข้าใจเราไปทำเอาไปได้รับไปเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่กับท่านครั้งแรกนะเป็นวเวลาที่ท่านนั่ ง, งหลับตาท่านสอนไม่มากหรอกท่านสอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองก่นอนประโยคนี้ท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเอง กลับไปบ้านนะก็ไปอ่านจิตตนเองเอาเลิกถ่ายรูปได้แล้วนะ <c oughs> ถ่ายรูปมันกวนสมาธินะตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อกำลังพยายามจะเอาของดีมาคืนให้คนสุลินทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงบุญคุณของคนสุลินนะคนสุลินได้เกื้อกูลอุปถัมภ์บำลุงโลงปูดุล เราได้อาศัยหลวงปู่ดูลถึงได้ภาวนามาพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวห่างไกลความทุกข์ออกมาได้คาสอนของท่านมีไม่มากหรอกท่านบอกว่าให้อ่านจิตตนเองตัวนี้สำคัญมากนะหลวงพ่อก็ไปหัดอ่านจิตตนเองเป็นลำดับลาดับไปเบื้องต้นยังอ่านไม่เป็นหรอกไม่รู้ว่าจิตมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปอ่านมัน เราก็นึกว่าจิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ค้นคว้าอะไรเกินกายนี้ออกไปเราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินร่างกายนี้ออกไปนะเพราะจิตมันคงไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ตามภูเขาลลำเนาไพลที่ไหนหรอกจิตจะต้องอยู่ในกายงั้นเราจะต้องมีสติรู้อยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินออกไปคอยรู้สึกอยู่เสร็จแล้วก็สงสัยเอ๊ะจิตมันอยู่ตรงไหนแน่ในร่างกายนี้ มันอยู่ในผมหรือเปล่าหรืออยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราก็ทําใจสบายๆแล้วดูไปทีละส่วนจิตไม่ได้อยู่ในผมจิตไม่ได้อยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตไม่ได้อยู่ในเยื่อในกระดูกในอาการ32มสิบสอนะจิตที่ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ว่าจิตอยู่ในกายเพราะกายมันก็ประกอบด้วยอาการ32พอดูลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะกลับไม่เจอจิต เอ๊ทำยังไงดีจะถึงจะเจอจิตท่านจะให้อ่านจิตเนี่ยยังหาจิตไม่เจอเหมือนหาหนังสือไม่เจอแล้วจะไปอ่านหนังสือได้ยังไงหลวงพ่อก็เอาใหม่เอ๊ะจิตมันคงจะเป็นความรู้สึกละมั้งคงจะเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆค่อยๆสังเกตนะทําใจสบายพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็ค่อยสังเกตใจเราแล้วก็สังเกตอีกในความสุขมันก็ไม่ใช่จิตนะในความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตในความเฉยๆก็ไม่ใช่จิต อะไรๆก็ไม่ใช่จิตเพราะมาคิดอีกจิตมันคงจะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างให้กุศลอกุศลคงจะเป็นจิตเราก็มาหัดดูจิตเป็นกุศลเราก็รู้นะจิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นมาความสงสัยความฟุงรร้งซ่านความหดหูความลังเลจิตเป็นยังไงเราก็ให้ดูลงไปดูลงไปเรื่อยดูไปดูไปมันคงจะใช่แล้วมั้งเนาะนี่ดูไปดูไปวันหนึ่งก็พบมันหนักขึ้นมา เป็นก้อนๆภาวนาไปดูจิตดูใจไปมันยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะก็ อ, อดทนดูนะคิดว่าเราต้องล่งทุกข์ด้วยความเพียร น, นี่มันทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วนึกว่าหลวงปู่จะชมนะไปดูไอ้ก้อนทุกข์ที่มันโผล่ขึ้นมากลางหน้าอกนียคิดว่านี่แหละดูจิตนี่เห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อยู่ดูอยู่สามเดือนนะไอ้ตัวก้อนนี้ก็หายไปใจก็โป่งโล่งสบาย เราก็โอ้เราดูจิตเป็นแล้วนะดูแล้วจิตมีความสุขดูแล้วจิตสบายนะดูแล้วจิตสงบดูแล้วจิตไม่ฟุง้งนซะ่านนี่ฝึกอยู่สมเดือนนะมาหาท่านครั้งแรกต้นเดือนกุมภาปีสองพันห้าี่สิบครั้งที่สองมาหาท่านใกล้ๆวันวิสาขะสามเดือนมาหาท่านไปบอกท่านบอกหลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วนะท่านถามว่าดูยังไงเล่าให้ท่านฟังนะดูอย่างโน้นดูอย่างนี้ เห็นจิตเป็นก้อนก้อนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่จิตตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งโอ้โหจิตมันนิ่งมันสงบมันสบายแล้วนึกว่าท่านจะชมนะท่านไม่ชมสักคําเลยท่านบอกว่าไอ้ที่ดูอยู่นั้นมันอาการของจิตมันไม่ใช่จิตไปดูใหม่เนี่ยฝึกอยู่สมเดือนนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกคื อ, อนั่นมันอาการของจิตมันยังไม่ใช่จิตนะ เรามัวแต่หลงอยู่กับอาการของมันอาการของจิตมันเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดียดด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราม่วุ่นวายอยู่กับอาการโมวแต่แก้ไขาอาการจิตไม่มีความสุขก็<ๆ>าหาทางทําให้สุขจิตไม่สงบหาทางทําให้สงบจิตไม่ดีหาทางทําให้ดีนี่เราคิดว่านี่คือการดูจิตอันนั้นมันไม่ใช่การดูจิตแล้วมันเป็นการแทรกแซงจิตเข้าไปวุ่นวายอยู่กับจิตไม่ใช่การรู้จิตตามความเป็นจริง ท่านบอกให้กลับมาดูใหมให่ที่ดูนั้นมันยุ่งอยู่กับอาการของจิตทั้งหมดเลยนะกลับมาบ้านนะมาดูต่อดูไปเรื่อยๆอยท่านให้เป็นคนดูนะท่านไม่ใช่ให้เป็นคนทําอะไรแต่เดิมเราจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบคิดแต่จะทําแต่หลวงปู่ไม่ได้บอกให้ทําอะไรหลวงปู่บอกให้ดูก็หัดไปดูมันนะว่าจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สงบก็เหมือนที่เคยเห็นนะแต่เห็นแล้วไม่แทรกแซงคราวนี้ เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบแต่เรามุ่งให้เห็นความจริงของจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเราเห็นความจริงของจิตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันไม่เที่ยงจิตมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคลื่อนไหวตลอดนะเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมา แล้วก็ลองเห็นอีกไม่เพียงแต่เห็นว่าเป็นอนิจจังนะว่าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วยังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาที่เราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตให้ดีไม่ได้นะสั่งจิตให้สุขไม่ได้สั่งจิตให้สงบไม่ได้ดีแล้วสุขแล้วสงบแล้วสั่งให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้นะมันจะอยู่มันก็อยู่นะมันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่บังคับมันไม่ได้นี่หัดดูนะอย่างนี้เรียกว่าดูจิตก่อนหน้านั้นที่ฝึกอยู่3มเดือนนั้นไม่ใช่การดูจิตแต่เป็นการแทรกแซงอาการของจิตแก้อาการ จ, จ, จ, จ, จิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบพอมาหัดดูจิตเนี่ยจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สุขรู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้นะดูอยู่อีกสเดือนดูอยู่อีกสเดือนวันหนึ่งออกจากที่ทํางานมานะพายุมาเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะวันที่23ากันยา2525นี้จําแม่นนะ จะแม่นมากกว่าว่าเจอแฟนครั้งแรกวันที่เท่าไหรนะ่เราก็ดูลงไปนะวันนั้นพายุมาออกจากที่ทํางานมาเนะี่เปียกฝนทั้งตัวเลยพายุมันตีล่มพับไปหมดนะต้องเดินตากฝนมาเสร็จแล้วไปหลบฝนอยู่ในกุฏิพระแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆที่ทํางานไปหลบฝนนั่งกอดเข่าอยู่นะใจมันกังวลขึ้นมาว่าเออเราถูกฝนที่ไรเราเคยเป็นไข้ทุกทีเลยคราวนี้สงสัยจะเป็นไขยย้แล้วใจกังวลว่าจะเป็นไข้ อาศัยว่าเราเคยฝึกดูจิตดูใจจนชำนาญนะจิตกังวลรู้ว่ากังวลเนะี่ยพอจิตกังวลรู้ว่ากังวลจิตก็รวมลงไปนะหลังจากนี้ใครอยากฟังก็ต้องไปบวชก่อนนะพอได้โอกาสนะก็มากราบหลวงปู่ครั้งที่สามแค่เล่าเริ่มเล่านะว่าภาวนาเห็นจิตกังวลนะดูลงไปแล้วโลกธาตุมันดับน ที่เหลือนี่ท่านพูดให้เองท่านพูดต่อให้เลยว่าจิตมันเดินอย่างนี้อย่าง น, างนี้ท่านบอกว่าถึงพระรัตนตรยัยพึ่งตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านแต่เราก็ไปนะท่านบอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้ว ก, ก็เรายังอยากพึ่งท่านเข้าใกล้ท่านเรามันมีความสุขเห็นไหมจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ยากเลยมันไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเราจะดูเป็นหรือดูไม่เป็น เราจะดูตามความเป็นจริงหรือเราจะแทรกแซงมันผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นมุ่งแทรกแซงทางนั้นไม่แทรกแซงกายก็แทรกแซงจิตอย่างเวลาจะเดินจงกรมใช่ไหมก็ต้องเดินไม่เหมือนธรรมดาเวลาจะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาอะไรอไรมันก็ต้องเกินธรรมดาตลอดเราคิดว่าถ้าเหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกนะคนละเรื่องกันเลยธรรมะนั้นธรรมดาที่สุด ธรรมดาที่สุดเลยหน้าที่ของเรามีแต่รู้ว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายไปรู้ใจไปรู้กายไปรู้ใจไปหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นขราวาสนะตอนนั้นรับราชการอยู่ฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนี้เป็นหลักเลยทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนนะคอยรู้สึกคอยดูจิต ด, ดูใจตัวเองไปเรื่อยๆตื่นนอนมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นี่ข้าราชการ ใครเป็นข้าราชการมีไหมในห้องนี้มีไหมมีวันจันทร์รู้สึกยังไงจิตใจแห้งแหลงนึกได้วันนี้วันจันทร์ขี้เกียจสุดๆเลยนะพอนึกได้ว่าวันอังคารน่ก็เบื่อมากเลยวันพุธนี้สุดเสงน่ะพวันพฤหัสเริ่มแช่มชื่นใช่ไหมวันศุกร์นี้สดใสเนี่ยเราดูเลยเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะแค่คิดทว่าวันนี้วันอะไรนะใจเรายังไม่เหมือนกันสักวันเลย หลังจากนั้นตื่นมาแล้วเนี่ยไปอาบน้ํำถ้าหน้าร้อนอากาศร้อนๆใช่ไหมเราเห็นตุ่มน้ําเมื่อก่อนอาบน้ําในตุ่มนะเห็นตุ่มน้ําแหมมันดีใจชอบมีความสุขพอถึงหน้าหนาวหนาเห็นตุ่มน้ําก็สยองละใครรู้สึกสดใสบ้างเห็นตุ่มน้ําหน้าหนาวถ้าอาบน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรมันก็ไม่รู้สึกหรอกนะถ้าอย่างคนโบราณที่อาบน้ําในตุ่มนี่มันรู้สึกดีแค่เห็นตุ่มน้ําใจเราก็ไม่เหมือนกันสักวัน เราจะกินข้าวเราก็ต้องดูใจของเรานะเราเห็นนั้นอาหารอย่างนี้ใจเราชอบใจเราอยากกินเรารู้ว่าอยากนะเห็นแต่ของที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบเลยนะรู้ว่าใจเราไม่ชอบใจเราหงุดหงิดเจอแต่ของไม่ชอบไม่พอใจนะเจอของชอบก็พอใจเราก็รู้ทันเจอของไม่พอใจเราก็รู้ทันะนี่หลวงพ่อก็ฝึกดูอย่างนี้เห็นไหมตั้งแต่ตื่นนอนใจเราคิดขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรวันนะ แต่ละวันเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนี่ใจมันคิดใช่ไหมตามองเห็นตามองไปเห็นตุ่มน้ำใจเราก็เปลี่ยนใจเราก็ไม่เหมือนกันลิ้นเรากระทบรถเนี่เรากินข้าวเห็นอาหารนะอาหารอย่างนี้ชอบอาหารอย่างนี้ไม่ชอบใจเราก็ไม่เหมือนกันถ้าเจอของชอบใจมันก็พองนะเจอของไม่ชอบใจมันก็หงุดหงิดลาคาญไม่พอใจออกมาที่ถนนนะจะไปทำงานสมัยก่อนขึ้นรถเมล์ไปทางานคนกรุงเทพเนี่ย มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลสมัยก่อนมันไม่มีรถบนดินใต้ดินรถอะไรไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกไปอีกแบบนึงค่ารถมันแพงนะออกมาที่ถนนนะเห็นรถไม่มาเนี่ยรถเมย์ไม่มาสตีนะเราจะต้องรีบไปทํางานใจมันกระวนกระวายใจกระวนกระวายเรารู้ว่ากระวนกระวายนะฝึกอย่างนี้นะใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆพอรถเมย์มาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจน รถเมย์ไม่ยอมจอดนะเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหเรารู้ว่าโมโหเนี่ยเราฝึกดูนี่แหละเรียกว่าดูจิตนะดูไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตเรารับรู้หรือความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนีเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปฝึกอยู่อย่างนี้มากๆนะไม่ใช่ฝึกเอาความสุขความสงบความดีแต่ฝึกให้เห็นความจริงของจิต ว่าจิตนี้จริงๆแล้วมันไม่เที่ยงจิตนี้จริงๆบังคับไม่ได้นะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงนะจะสั่งมันให้ดีสั่งให้สุขสั่งให้สงบตลอดก็สั่งไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้นะห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้โลภโกรธหลงก็ไม่ได้จิตมันปรุงของมันขึ้นมาหน้าที่เราก็แค่ตามดูมันไปนะนี่หลวงพ่อได้วิชาตามดูจิตใจอย่างนี้แหละจากหลวงปู่ดูลย์ไป ตอนนั้นปี 2,526 วันหนึ่งไปนั่งอยู่กับท่านอยู่ๆนะท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเราฟังตอนนั้นน่ะไปนั่งอยู่กับท่านเอ๊ะท่านว่ามันจะรุ่งเรืองมันจะรุ่งเรืองได้ไงน่าจะรุ่งริ่งมากกว่าไปไหนไม่เคยได้ยินว่าใครดูจิตเลยมีแต่คนดูกายนะมาถึงวันนี้คำพูดของท่านเป็นความจริง ไม่เฉพาะรุ่งเรืองในเมืองไทยนะมันรุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วมีคนฝึกดูจิตดูใจได้ตำราไปจากชาวสุรินเหล่านี้แหละเพราะฉั้นเราเป็นต้นตํำรับนะเราต้องเรียนให้เป็นนะอย่าให้เสียชื่อเป็นคนสุรินนะอย่าเอาแต่ว่าอยู่สุรินต้องกินสุราใช่ไหมไม่กินสุราก็เป็นหมาสุรินอะไรอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรอกนะอยู่เมืองสุรินต้องดูจิตนะดูเข้าไปเลยจิตของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยดูเข้าไปอย่างนี้นะวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมา มันจะแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งทำหน้าที่รู้อารมณ์ทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดทำหน้าที่ปรุงแต่งไปเรื่อยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราเรารู้สึกไหมในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่คนหนึ่งนี่ก็คือจิตของเราั่นเอง ถ้าเราภาวนาเราเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่บังคับไม่ได้นะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรนี่ดูเข้าไปเถอะวันหนึ่งมันจะฉลาดขึ้นมาจิตมันจะรู้ขึ้นมาเองนะว่าตัวจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกต่อไปละผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะในกายในจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานอกเหนือจากกายนอกเหนือจากจิตก็ไม่มีตัวเราอันนั้นคือภูมิธรรมของพระโสดาบัน ผู้ใดได้เป็นพระโสดาบันเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วจะไม่หลงนอกลู่นอกทางถ้ายังไม่ถึงธรรมะยังไม่ได้โสดาบันยังนอกลู่นอกทางได้อีกนอกลู่นอกทางเช่นเราจะคอยคิดตลอดเวลาเลยว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอันนี้ไม่ดีทําอันโน้นดีทําอันนี้ไม่ดีหาทางแต่จะทําตลอดเวลาถ้าเรายังหาทางทำอยู่ตลอดเวลาเราก็เราเรียกว่าเราไม่ได้ดู ถ้าดูเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเราดูกายมันทํางานเราดูจิตมันทํางานทําหน้าที่เป็นแค่คนดูดูมันไปเรื่อยๆนะดูไปวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกขอให้ดูไปให้ต่อเนื่องนะดูเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งทางหูวิ่งไปคิดเดี๋ยวก็ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งอย่าเอาแต่เพ่งนะ ถ้าจิตไปเพ่งก็รู้ทันจิตมันไปทำอาการอย่างอื่นก็รู้ทันมันไปเรื่อยนี่เรียกว่าการดูจิตดูไปถึงวันหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์กายมันทุกข์นะจิตมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปแล้วมันจะค่อยๆถอดถอนความทุกข์ออกไปตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะสามารถเห็นได้แล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่คนที่เห็นอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะ เห็นได้ว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเยไม่ใช่ตัวเรานี้มีเยอะแยะเลยเห็นได้ว่าความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความฟุ้งซ่านความผน ห, หูความดีงามทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนี่จะเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะแต่ยังไม่มีคนเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีเหมือนกันแต่มีไม่มากเท่าไหร่หรอกมันยากนะมันยากเพราะมันรู้สึกตลอดเวลาว่าจิตคือตัวเรา ยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรานี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ยังเวียนมาหาหลวงปู่เรื่อยๆแล้วก็ภาวนามาเรื่อยๆไม่เคยทอดทิ้งไม่มีวันใดที่ไม่ภาวนาไม่เหมือนพวกเราหลายคนนะไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างขี้เกียจขี้คลานไม่ได้กินหรอกนะธรรมะไม่ใช่ของคนขี้เกียจขี้คลานนะธรรมะเป็นคนคนสู้จริงๆ ถ้าสู้แล้วเราจะพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อมันพ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะใจเราไม่ยึดถือในกายในใจนะมันก็จะพ้นทุกข์ละเพราะตัวกายตัวใจมันเป็นตัวทุกข์นะค่อยๆดูไปนะนี้หลวงพ่อก็มาหาหลวงปู่เนี่ยทั้งหมดมาที่สุรินทร์หกครั้งเองเรียนกับท่านไม่มากนะครั้งที่สา ม, มาท่านก็บอกว่าเออดีแล้วครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านชอบสอนเรื่อง จิตคือพุท ธ, ธะตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราฟังก็เวียนหัวเลยสุดท้ายทนไม่ได้นะถามท่านบอกหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านบอกดูจิตอย่างเดียวได้แหละพอแล้วธรรมะแปดหม่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองนี่ก็คืนให้ชาวสุรินนะท่านสอนบอกให้ดูจิตตัวเองก็ต้องเป็นคนดูท่านสอนบอกว่าธรรมะมันอยู่ที่จิตเรานี่เองธรรมะที่เป็นกุศล ที่เป็นอกุศลธรรมะที่เป็นกลางๆ ก, ก็อยู่ที่จิตเรานี่เองจิตมันปรุงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงเฉยๆขึ้นมานะไม่ดีไม่ชั่วแล้วนะเราคอยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นแต่สภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้แหละนะจนกระทั่งอีกสามสิบหกวันนะก่อนหลวงปู่ดูลท่านจะมรณภาพสามสิบหกวันก็ปลายปลา ย, ปลายเดือนกันยามมาหาท่านครั้งที่หกนะ อันนี้ไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆตอนบ่ายท่านก็สอนอยู่กับท่านนะท่านสอนไปเรื่อยๆจนทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าๆแล้วนะท่านหอบเลยผู้เฒ่าอายุจะเก้าสิบหกอยู่แล้วนะอุตศาสเทศให้เราฟังจนกระทั่งท่านท่านหอบพอท่านหอบเราก็บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มจีแล้วท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจําไว้นะพวกเราจําไว้นะหลวกพ่อจะคืนให้คนสุรินแล้วนะ ท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเราอย่าเพิ่งทำลายนะพวกเราต้องให้พบจิตก่อนของเรายังไม่พบอย่าเพิ่งทำลายมันจะทำทำลายสติไปกลายเป็นสติแตกนะไม่ใช่ว่าปล่อยวางจิตนะแต่เดิมฟังท่านนะว่าเออท่านให้ทำลายจิตจะทำลายยังไงฟังแล้วงงนะ ล้าก็งงงท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่ขอจำไว้ก่อนท่านบอกเออดีจำไว้นะไปได้ละกลาบลาท่านนะทุกครั้งที่มาหาท่านเวลาลาท่านคลานถอยหลังออกมาดูใจนี้จะไม่มีความอะไรหวรท่านเลย mm hmm. เมื่อเรียนธรรมะแล้วนะหลวงปู่ก็เข้าไปสู่ความว่างของท่านใจเราก็เฉยฉ แต่ครั้งสุดท้ายที่ไปลาท่านเนะีมันคอยเบียนกลับมาดูท่านเรื่อยๆนะใจมันอะไรเอาบอลมากเลยะใจหายนะั้นมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายลแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้ววันรุ่งขึ้นออกมาจากเมืองสุรินทเข้าไปแวะโคราชเมื่อก่อนหลวงพ่อออกจากสุรินที่ไหนต้องแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสาะรวะันทุกครั้งคราวนี้ก็ไปหาท่านที่โคราช พอท่านเห็นหน้าท่านก็ถามบอกว่ายังไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนว่าอะไรกราบเรียนท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็นิ่งนิดหนึ่งนะแล้วท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละนะคําว่าทําลายจิตก็คือคําว่าไม่ยึดถือจิตนั่นเองไม่ใช่ไปทําลายมันจริงๆนะ ไม่ใช่ทำให้จิตหายไปนะควาว่าทำลายจิตก็คือไม่ยึดถือจิตทำยังไงจะไม่ยึดถือจิตได้ท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็เล่าบอกว่าก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกราบท่านเนี่ยเจ็ดวันท่านก็มาหาหลวงปู่ดูลเหมือนกันหลวงปู่ดูลก็สอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนะเจ้าคุณนี่สอนหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะ ที่ได้ยินท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนสองคนนะสอนหลวงพ่อพุธกับสอนหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเออคุณกลับมาตะ ม, มามาทำกติกากันนะตกลงใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะ <c oughs> เราดูแล้วเหมือนเราจะบอกท่านได้ไงท่านแหละต้องบอกเรา <c oughs> เรามันเด็ก i ินโนเซนต์เลยนะไม่ได้เรื่องได้ราอะไรแตนะ่ท่านเมตตา ม, มากนั่นเอง ท่านบอกถ้าใครทําได้ให้มาบอกกันนะหลังจากนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยเจอท่านละพอสิ้นหลวงปู่ดูลไปแล้วไม่ค่อยเจอท่านเลยเพราะท่านหนีโยมโยมไปหาท่านมากจนท่านทนไม่ไหวนะท่านก็เลยต้องหลบไปวัดโน้นวัดนี้นานนะเป็นปีๆจะได้เจอท่านครั้งหนึ่งจนกระทั่งราวๆปี 2,500 อะไรใกล้ๆท่านจะมรณภาพแล้วนะส0่สหรือสาแก่ๆเนี่ยนะ ท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศสดเสร็จหลวงพ่อทำงานอยู่ที่นั่นพอท่านเทศเสร็จคลานเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอนะกกราบเรียนท่านบอกว่าผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยคราวนี้ท่านพูดอย่างห้าวหาญเลยบอกว่าจิตผู้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่ เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองโอ้โหฟังธรรมของท่านนะโอ้โหสะเทือนใจท่านภาวนานี่นะเด็ดขาดเลย ท, ท่านท่านทําลายของท่านได้ละนี่แต่แม้ในที่สุดท่านก็เป็นคนบอกหลวงพ่อจนได้เรามาภาวนาต่อนะก็าภาวนามาเรื่อยๆแหละจิตใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นขอให้รู้เท่านั้นนะ่ะให้ดูจิตดูใจของเราไปนะ หาดดูของเราไปเรื่อยๆจิตเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสงบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งมันแจ้งอะไรมันแจ้งอริยสัจตราบใดที่ไม่แจ้งอริยสัจนะยังใช้ไม่ได้ยังทุกข์อีกอริยสัจข้อแรกพวกเราเคยได้ยินไหมทุกข์สมูทยัยนิโรธมรรคเคยได้ยินใช่ไมราบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจ มันต้องแจ่มแจ้งนะว่ากายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีใครรู้สึกบ้างว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆในห้องนี้มีใครรู้สึกได้บ้างไม่มีใช่ไหมเรารู้สึกไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรารู้สึกได้แค่นี้เองงั้นเราต้องภาวนานะเราคอยรู้สึกตัวภาวนานไม่ใช่แปลว่าทําจิตให้นิ่งแต่ภาวนาเนี่ยให้คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอย แล้วก็อย่าเพ่งกายอย่าเพ desse, 8, ่งใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งเบื้องต้นมันจะแจ้งก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในเบื้องปลายมันจะแจ้งว่ากายนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นอย่างนี้นะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุทัยคือจะหมดความดิ้นรนของจิตหมดตัณหาโดยอัตโนมัตินั้นรู้ทุกข์แจม่มแจ้งก็ละสมุทัยอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานเป็นภาวะแห่งความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากของจิตนิพพานเป็นวิราคะ สิ้นความปรุงแต่งใจของเรารู้สึกไหมใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยาก น, ôn, ากนี่รู้สึกไหมใจเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงเลวเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงเฉยๆยเดี๋ยวปรุงอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ใจเราปรุงแต่งตลอดให้เรามีสติตามดูไปนะจนวันหนึ่งมันเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนมันจะหมดความอยากความอยากคือตัณหามันเป็นความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขนะอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ พอเรารู้ความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันก็หมดความอยากที่จะให้มันเป็นสุขเพราะมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็หมดความอยากที่จะให้ความทุกข์หายไปเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะหายไปไหนไม่ได้เมื่อไหร่ใจยอมรับความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆอยู่อันหนึ่งซึ่งไปรู้พระนิพพาน นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งนิพพานเป็นภาวะแห่งความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหานิพพานเป็นภาวะที่พ้นออกจากขันห่านะพ้นจากกายจักใจเพราะฉะนั้นมันจะพ้นจากตัวทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียนไปจากเมืองสุรินนะเรียนไปจากคนสุรินนะทุกวันนี้ยังนึกถึงคนสุรินทุกวันนะกราบทุกวันเลยนะแต่คงไม่ได้กราบโยมหรอกนะ นี่ก็ควรสุรีดีคนหนึ่งนะท่านนอนอยู่ข้างหลังนี้ให้เรากราบนะน้ำวันร้อยหลอหลงทุกทีนะต้องภาวนาภาวนาไปรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็คือขาดสติรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้มันเครียดแค่รู้สึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกเล่นๆไป จนมันเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้ววันหนึ่งเหมือนพ้นทุกข์ชีวิตจะเหลือแต่ความสุขล้วนๆเลยกายมันทุกข์นะจิตใจก็มีความสุขค่อยฝึกนะตอนนี้คนที่ฝึกอย่างนี้มีมากมายเขาก็ได้เห็นผลได้เห็นประโยชน์เป็นลําดับลําดับไปนะครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้นะตัวท่านเดินหายไปแล้วนะหลวงตาผนึกท่านก็เดินหายตามหลวงปู่ดูลไปแล้วเนะหลือแต่พวกเรานี่ล่ะนะเดินไปเดินมานะ ยังไม่หายไปไหนนะยังเดินวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อยู่เพราะนั้นรู้สึกตัวแล้ววันหนึ่งจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ไดนะ้นี่แหละคือธรรมะทั้งหมดที่จะมาฝากชาวสุลินนะวันนี้สมควรแก่เวลากลับบ้านดึกนะักก็ไม่ดีเดี๋ยวหลวงพ่อรีบให้พรก่อนจะได้ไม่ต้องถามยัถาวาริวหาปูราปาริปุเรนตีสาคารัง เอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเปเมวะสมิชตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโตปันนารโาโสยถามณิโชติระโสยธ า, าสัพพีติโยวิวัตจันตตสัพรโรคโควินาสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตารายโยสุขีทิขาโยโกภวะ อภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตารโรธร ม, มาวัฏันติอายุวันโสุ ข, ขังพระลัง